ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2547ตรงกับวันพุธแรม14ค่าเดือน7ปีวอกเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมเป็นที่ทราบกันดีว่าคนเราทุกทุกคน เมื่อเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปด้วยกันทั้งสิ้นจะตายก่อนตายหลังเท่านั้นเองที่มีความแตกต่างกันอายุคนละคงมีทั้งอายุยืนอย่างนานอายุั้นบางคนอยู่ไม่ได้ถึงทค่วงน เรืสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นได้ทําอะไรกับชีวิตของตนเองถ้าอยู่ร้อยปีแล้วไม่ได้ทําความดีเลยก็เปล่าประโยชน์อยู่ไปเปล่ปาเปล่าแต่ถ้าอยู่เพียงวันเดียวแต่ได้ทําคุณงามความดีอย่างนี้ยังจะถือว่าดีกว่า เพราะได้กำไรนั่นเองการทำความดีนี้เรียกว่าเป็นการสร้างผลกำไรให้กับตนเองส่วนการทำบาปทำกรรมเท่ากับการสร้างหนี้สร้างศี่สร้างหนี้สร้างศให้กับตนเองคนที่ไม่ทำบาปทำกรรมไม่ทำบุญก็เป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้และไม่ได้ไม่เสีย ดังนั้นในชีวิตของคนเรานั้นเราควรที่จะทําความดีไว้เพราะอะไรเพราะความดีเป็นเหตุของความสุขและความเจริญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะตามมาชีวิตของเราไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายเพราะเมื่อความตายมาถึงแล้วจิตที่อยู่กับร่างกาย ก็ต้องเดินทางต่อไปจิตจะไปดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมก็อยู่กับบุญกรรมที่เราได้แผ่ไว้ถ้าเราได้สะสมความดีไว้ไปข้างหน้าชีวิตของเราก็จะดีขึ้นถ้าเราสะสมบาปกรรมไว้ชีวิตของเราไปข้างหน้าก็จะแย่เลและราบใดที่เรายังไม่ได้ สะสมบุญบารมีจนถึงขีดที่สูงสุดแล้วชีวิตของเราก็ยังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆดังนั้นเราจึงต้องพยายามสร้างความดีทำความดีอยู่เสมอวันวันหนึ่งไม่ควรจะปล่อยให้เวลาอันมีค่าของเราผ่านไปโดยไม่ทำความดีเลย เพราะความดีเป็นคุณไม่มีโทษอย่าปล่อยให้เวลาของเราไปกับการทำในสิ่งที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์เพราะชีวิตของเรานั้นมีแต่จะหดไปเรื่อยๆวันเวลาก็จะเกลือนเกินชีวิตของเราไปถ้าเราไม่รีบตักตวงทำความดีแล้วต่อไปข้างหน้า เราก็จะไปแบบลําบากลําบนการที่เราได้มาเกิดดีกว่าคนอื่นต้องเยอะต้องแยะนั้นก็เป็นเพราะว่าในอดีตรเราได้เคยทําความดีมาจึงทําให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แทนที่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉาน เราได้มาเกิดเป็นคนที่มีอาการสาสิบสองครบถ้วนบริบูรณ์เพราะเราไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมมาไว้เราได้มาเกิดมีรูปร่างหน้าตาสวยงามเพราะเราได้ทำบุญทำทาน <Yeah. S 1> เราได้มาเกิดมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเราได้ปฏิบัติธรรมมาในอดีตนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นอยู่ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ และถ้าเราหมั่นทําต่อไปในเรื่องของคุณงามความดีทั้งหลายพบหน้าชาติหน้าก็จะดีขึ้นกว่าเดิมรูปร่างหน้าตาก็จะดีขึ้นกว่าเดิมสติปัญญาความรู้ความฉลาดก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิมพพชาติก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่เลย เมื่อเป็นถึงขั้นนั้นแล้วก็แสดงว่าเราได้ถึงจุดสูงสุดของชีวิตแล้วเราได้ถึงจุดที่มีแต่ความสุขล้วนๆที่เรียกว่าปรมังสุขขังเราได้หลุดพ้นแล้วจากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นสิ่งที่ความดีจะมอบให้กับเรา แต่ถ้าเราไม่สนใจทำความดีมัวแต่หาความสุขเล็กๆ น, น้อยๆที่มีอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะความสุขกับการแสวงหาตำแหน่งหน้าที่ต่างๆตำแหน่งแสวงหาความสรรเสริญเยืนยอมัวแต่หาความหาทรัพย์สินเงินทองแล้ว เราก็จะมีแต่ความสุขแบบสุขเอาเผากินสุขชั่วประเดียวประดาวแต่เมื่อเราจะต้องไปเผชิญกับความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลากจากสิ่งต่างๆแล้วจิตใจของเราก็จะต้องมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจแต่ถ้าเรามันทําความดี ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันอย่างต่อเนื่องทุกๆวันพระกะดีหรือวันเสาร์วันอาทิตย์กะดีท่านกำลังสะสมภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานความทุกข์ทั้งหลายที่จะโหมกระหน่ำใส่จิตใจเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา เมื่อเรามีภูมิคุ้กันแล้วเวลาเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราแก่ลงไปเวลาเราตายไปหรือเวลาเราพลาดพลากจากสิ่งต่างๆไปจิตใจของเราจะมีที่ยึดที่เกาะมีความแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวนี่แหละทำไมเราจึงต้องมาทําความดีกัน เพราะเราทุกคนปรารถนาความสุขความเจริญไม่มีใครต้องการความทุกข์ความวุ่นวายใจความเศร้าโศกเสียใจเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะป้องกันได้จึงไม่ควรที่จะปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยไม่ได้สะสมคุณงามความดีเหมือนกับคนที่ รู้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเตรียมยาเตรียมอยู่เตรียมยาไว้ก่อนล่วงหน้าเมื่อเวลามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สามารถหยิบยาขึ้นมารับประทานได้ทันทีโรคภัยก็จะไม่รุมเร้าเราโรคภัยก็จะหายขาดจากจากร่างกายเราไปได้ แต่ถ้าเราไม่มีอยู่ไม่มียามาคอยดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องถูกโรคภัยไข้เจ็บนี้เบียดเบียนสร้างความทุกข์สร้างความปวดร้าวให้กับชีวิตของเราเราจึงต้องพยายามหมั่นทําบุญทําทานอยู่เสมอหมั่นรักษาศีลหมั่นฟังเทศฟังธรรมหมั่นปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์และเจริญปัญญาวิปัสนาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งสิน้นล้วนเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดไม่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปสิ่งที่เราจะเอาติดตัวไปได้ก็คือบุญ กุศลที่จะทำให้เรามีความสุขมีความมั่นคงไม่มีความหวั่นไหวไปถ้าเราไม่ได้สะสมบุญสะสมแต่บาปแต่กรรมเวลาเราไปเราก็จะไปด้วยความร้อนรนไปด้วยความว้าวุ่นขุนมัวไปด้วยความหวาดกลัวนี่คือเรื่องของชีวิตของเรา เราเกิดมาเราควรจะเข้าใจถึงหน้าที่ที่แท้จริงของเราว่าคืออะไรกันแน่จริงอยู่คนเราต้องทำมาหากินหาเงินหาทองแต่หามาเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงชีวิตเราอย่าหาเงินหาทองมาเลี้ยงกิเลสตัณหาความอยากต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ที่ไม่จำเป็นต่อการสร้างบุญสร้างกุศลอย่าไปเลี้ยงกิเลสตัณหาเช่นอยากจะมีเงินทองไว้เยอะเพื่อจะได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ๆเพื่อจะได้รถมีรถราคาแพงๆเพื่อจะได้มีข้าวของต่างๆราคาแพงๆไว้ใช้ไว้เก็บมีเพชรนินจินดาเอาไว้ใสเอาไว้โชว์คนอื่น เหล่านี้ไม่ใช่เป็นสมบัติที่ที่แท้จริงไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของจิตใจมีมากเท่าไหร่ก็จะต้องสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้มีมากขึ้นไปเท่านั้นไม่ได้สร้างความสงบความสุขความมั่นคงแก่จิตใจเลยแต่จะคอยสร้างความหวาดความกลัวอยู่เสมอเพราะว่าสักวันหนึ่ง สิ่งต่างๆที่ได้สะสมไว้จะต้องสูญเสียจะต้องหมดไปจะต้องจากกันดังนั้นเราทำงานเป็นหน้าที่ของเราแต่เราทำงานหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาดูแล ร, ร่างกายและจิตใจร่างกายก็ให้ได้มีปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มก็ไม่จาเป็นจะต้องเป็นของที่มีราคาแพงๆมีไว้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ไม่ต้องให้มันหรูหราจนเกินไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขามีหน้าที่ของเขาจะถูกหรือจะแพงเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้เหมือนกันบ้านสิบล้านกับบ้าน 1,000 แสนบาทก็หลบแดดหลบฝนได้เหมือนกันอาหารมื้อละห้าสิบบาทกับอาหารมื้อละห้าร้อยบาทก็อิ่มเหมือนกันเสื้อผ้าชุดละสองร้อยกับชุดละสองพันหรือสองหมื่นมันก็ไว้ใส่ปกปิดร่างกายเหมือนกันยารักษาโรคก็เป็นเช่นเดียวกันถ้ากินแล้วมันหายจะถูกหรือจะแพง ก็ไม่เป็นไรก็ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นหายได้จากยาที่เรารับประทานเข้าไปก็ใช้ได้แล้วดังนั้นนี่คือส่วนของร่างกายที่เราจะต้องดูแลอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือจิตใจของเรานั่นเองจิตใจของเราต้องทำความดี ต้องละเว้นจากการทำบาปทำกรรมและจะต้องขัดเราอยู่เสมอคอยชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับตนไม่รู้จักจบจากสิน้นพบชาติที่จะตามมา ก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆกิเลสตัณหาทั้งหลายเท่านั้นที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้ต้องไปเกิดอีกถ้าเราชําระได้ด้วยการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนกิเลสตัณหาต่างๆก็จะค่อยๆหมดไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกับสิ่งสปกปรก ที่เราชำระด้วยน้ำนั่นแหละเราค่อยๆชาระไปเรื่อยๆทถอะเล็กเถอะน้อยเช่นสารสาาหลังนี้ถ้าเราอยู่คนเดียวเราต้องท ำ, ทำความสะอาดเราก็ค่อยๆกวาดค่อยๆถูไปเรื่อยเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะสะอาดไปของมันเองสะอาดจากการภาคเพียนขยันหมั่นเพียนของของเรา ที่จะพยายามทําอย่างต่อเนื่องไม่ท้อแท้ไม่บน่นและไม่มองไปมากกว่าขอบเขตที่เรากําลังทําอยู่อย่าไปมองว่าโอ้โหกว่าจะไปถึงนิพพานได้นี่มันไม่ไหวแล้วมันเกินความสามารถของเราถ้าคิดอย่างนี้เราจะเกิดความท้อแท้แล้วเราจะไม่มีกําลังใจที่จะปฏิบัติ เหมือนกับคนที่เดินทางถ้าจะต้องเดินทางสักห้ากิโลสิบกิโลพอมองระยะทางก็จะรู้สึกว่ามันมากหรือเกินคงจะเดินไม่ไหวแต่ถ้าเราบอกว่าเราเดินไปทีละเก้าก็พอเอาแค่นี้แหละขอให้ได้เก้าไปทีละเก้าเดินมันไปได้เรื่อยทีละเก้าเก้าหนึ่งมันไม่ยากหรอกถ้าเดินเก้าหนึ่งไปเรื่อยเดินไปทีละเก้าในที่สุดมันก็จะไป ถึงห้ากิโลสิบกิโลของมันเองฉันใดมากผลผนิพพานอันประเสริฐเลิดโลกนั้นถึงแม้จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับแล้วสำหรับพวกเราในขณะปัจจุบันนี้ก็ตามแต่มันก็เกิดจากการกระทำวันต่อวันน่แหละวันวันหนึ่งถ้าเราทำอยู่อย่างต่อเนื่องทุกวันถ้าเราได้ทำบุญใส่บาต ท, ทุกวันถ้าเราได้รักษาศีล ทุกวันถ้าเราได้ไหว้พระสวดมนต์ได้นั่งทำสมาธิได้โปรงอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆเหล่านี้มันจะค่อยๆสะสมขึ้นไปเองสะสมขึ้นไปจนในที่สุดมันก็จะพาเราไปจนถึงจุดที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกได้ไปถึงก็คือพระนิพพานสแดนแห่งความเกษมสำราญ แดนแห่งบร ม, มสุดแดนแห่งการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของพวกเราเลยถ้าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่เสียเวลามาประกาศธรรมสอนพวกเราแต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าพวกเรากับพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าโดยอัตโนมัติ พระพุทธเจ้าเกิดมาก็เป็นปุตุชนเหมือนเรามีกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจเหมือนเหมือนกันเท่านั้นทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ก็เพราะมีความวิริยะอุตสาหะความภาคเพียงที่จะทําแต่ความดีที่จะละการกระทําความชั่วทั้งหลาย มีความขยันหมั่นเพียรในการขัดเกลาชั่มละกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายให้ออกไปจากจิตจากใจนั่นเองจนในที่สุดจิตใจของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพวกเราก็เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าคือเราก็ได้เกิดเหมือนกับพระพุทธเจ้า เราก็มีอาการ32ครบบริบูรณ์เหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่เรากับโชคดีกว่าพระพุทธเจ้าเสอีกตรงที่ว่าเรามีคนสั่งสอนมีคนคอยชี้ทางคอยบอกเราว่าควรจะไปในทางไหนพระพุทธเจ้านั้นลำบากกับพวกเรามากเพราะไม่มีใครสอนพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระพุทธเจ้ามาประสูตินั้นไม่มีพระพุทธศาสนา หลงเหลืออยู่แล้วยังไม่มีใครรู้เรื่องของวิธีการดับทุกข์วิธีการตัดพบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าจึงต้องลำบากลาบนมากยิ่งกว่าพวกเราอีกเป็นร้อยๆ้ยพันพันเท่าด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ท้อแท้เปรียบเหมือนกับคนถ้าถ้าเปรียบเหมือนกับการเดินทาง พระพุทธเจ้าก็ต้องเดินทางไกลกับเราเป็นร้อยเป็นพันเท่าเราเดินทางใกล้นิดเดียวเพราะเรามีแผนที่เราไม่ต้องวกไปเวียนมาเราไม่ต้องหลงหลงหลงไปผิดทางเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าต้องหลงผิดผิดทางไปเรามีคนเขียนแผนที่บอกเราแล้วว่าจากที่นี่ไปถึงที่นั่นไปอย่างไรทางตรงเดชเลย ไปอย่างนี้ให้ไปทางนี้เถิดแล้วเดี๋ยวเดียวก็ถึงแล้วก็ง่ายด้วยไม่ยากไม่ลําบากดังนั้นการที่เราจะไปถึงหรือไม่ถึงนั้นมันก็อยู่ที่ตัวของเราว่าเรามีศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่เรามีความขยันหมั่นเพียรที่จะดําเนินตาม แนวทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่เรามีขันติความอดทนอดกลั้นหรือไม่สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวของเราแต่เราไม่เอาออกมาใช้เท่านั้นเองส่วนใหญ่เราจะไปใช้กับในสิ่งที่ผิดเราจะมีความขยันถ้าเราต้องไปทาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ถูกใจเราเช่นเวลาเราโกรธใครเกลียดใคร เราจะมีความขยันหมันเพียงที่จะทําร้ายร่างเขาให้ได้นี่แสดงว่าเรามีความภาคเพียรเรามีความอดทนเราจะรอรอจ้องทําร้ายเขาจนในที่สุดเราจะทําจนในที่สุดเราทําร้ายเขาได้นี่เราก็มีความอดทนแต่เรามีความขยันมีความอดทนไปในทางของกิเลส ข, ของตัณหาเท่านั้นเองแทนที่เราจะเอาความขยัน ความอดทนของเรามาใช้ในทางที่ถูกที่ดีในทางที่จะนำพาเราให้ไปสู่ความสุขและความเจริญแต่เรากลับไม่ใช้กันเท่านั้นเองแต่วันนี้เราโชคดีเราได้มาเกิดในขณะที่ยังมีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกมีการสอนมีการปฏิบัติธรรมมีผู้นำพา มีเพื่อนที่คอยจะชวนคอยจะดึงให้เราไปในทิศทางที่ดีเราจึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันดีงาม น, นี้ให้ผ่านไปอย่าไปหลงกับการสะสมทรัพ ส, สมบัติเท่าของเงินทองสะสมความสุขทางโลกนี้มากจนเกินไปหามาเท่าที่จำเป็นก็พอแล้วเพื่อเราจะได้มีเวลา มากๆเอาไว้มาทำบุญทำทานมารักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนากันจะดีเสียกว่าเพราะนี่เป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นมาภายในใจของเราเป็นทรัพย์ที่จะทำให้เรากลายเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลาย ได้กลายเป็นเศรษฐีกันท่านเป็นเศรษฐีธรรมนะเศรษฐีธรรมนี้มีความสุขมากกว่าเศรษฐีโลกเศรษฐีทักเงินเศรษฐีเงินนั้น <c oughs> มีความสุขก็ชั่วขณะที่ได้เอาเงินไปใช้เท่านั้นเองแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องกลายเป็นทาสของเงินต้องอาศัยเงินเป็นผู้ให้ความสุขถ้าวันไหนไม่มีเงินไม่มีทอง วันนั้นก็จะต้องมีแต่ความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่มีเงินก็ต้องคอยดูแลรักษามีความกังวลกลัวจะสูญหายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกดังนั้นเศรษฐีเงินนี้ยังไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงแต่เศรษฐีธรรมนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะเมื่อมีธรรมแล้วกิเลสตัณหาความโลภความอยากทั้งหลาย ก็จะไม่มีอยู่ในใจเมื่อไม่มีความโลภความอยากความอิ่มความพอก็ปรากฏขึ้นมาอยู่เฉยๆก็มีความสุขและไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะมีใครจะมาแย่งความสุขในใจของตนไปได้ไม่ก็ต้องหวาดกลัวว่าจะมีใครมาขโมยธรรมะที่มีอยู่ในใจของเราไปได้เพราะเป็นสมบัติที่อยู่ภายในไม่ได้อยู่ภายนอก ไม่มีใครจะมาสามารถฉุดกระชากลากไปจากใจของเราได้เป็นสมบัติที่แท้จริงและไปกับเราด้วยเมื่อเราตายไปมันอยู่กับใจใจไปที่ไหนธรรมะก็จะไปกับใจไม่เหมือนกับสมบัติเข้าของเงินทองทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้มันเป็นของโลกนี้เราเพียงแต่ ได้มาหยืบใช้ไปเท่านั้นเองเมื่อเราตายไปเราก็ต้องคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับโลกนี้ไปใครจะเอาไปนั่นก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามเขาได้เวลาเราตายไปแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์แล้วเรากลายเป็นคนขอทานไปก็ว่าได้ เพราะเราไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองนองเหลืออยู่อีกแล้วแต่ถ้าเรามีเราได้สะสมบุญกุศลไว้ได้สะสมธรรมะไว้นี่แหละคือทรัพย์ที่แท้จริงเราจะเป็นเศรษฐีทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และในขณะที่เราตายไปถ้าเรายังไม่ถึงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ภพชาติของเราที่รออยู่ข้างหน้าก็จะเป็นภพชาติที่จเจริญรุ่งเรืองกว่าเดิมร่ำรวยกว่าเดิมโอกาสที่จะสิ้นทุกข์ก็มีมากกว่าเดิมดังนั้นการทําความดีจึงไม่มีส่วนเสียเลยมีแต่กําไรทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาส อันดีดีให้ผ่านไปเพราะการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนั้นเป็นของยากขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่เราได้สะสมกันไว้ถ้าเราสะสมบุญบารมีมากโอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีมากโอกาสที่จะได้กลับมาสะสมบุญบารมีก็มีมากบุญบารมี ก็จะได้มีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปทําให้ภพชาตินั้นลดน้อยถอยลงไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราไม่ใช้โอกาสอันดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาสะสมคุณงามความดีกันมัวแต่ไปหาความสุขทางโลกแล้วชาติหน้าเราอาจจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหลายภพหลายชาติทีเดียวอาจจะต้องไปใช้เวรใช้กรรม เป็นเดรัจฉานบ้างหรือจะต้องไปตกนรกก็ขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่เราได้ทำไว้จึงอย่ า, ยาประมาทในเรื่องของเวลาคนเราเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไหรไม่มีใครรู้ว่าจะมีอายุยืนยาวยืนยาวนานสักเพียงไรแต่สิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปกังวล ขอให้เราเอาวันต่อวันนี่แหละเป็นตัวสำคัญขณะนี้เรายังมีชีวิตอยู่อย่าปล่อยให้เวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนี้หมดไปกับการสะสมสิ่งที่ไม่มีสาระเลยขอให้เราพยายามสะสมสิ่งที่เป็นสาระเป็นคุณเป็นประโยชน์คือบุญกุศลคุณงามความดีธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน ให้พวกเราศึกษาและปฏิบัติกันพยายามทาให้มากๆทุกวันทุกเวลาเวลาใดที่มีเวลาว่างก็ขอให้หันเข้าหาธรรมะกันแทนที่จะไปเปิดฟังเรื่องราวที่สร้างความวุ่นวายเรื่องราวที่ไม่มีสาระกับจิตใจเปิดหาธรรมะฟังกันหาเทพมาฟังก็ได้หาหนังสือธรรมะมาอ่านก็ได้ หรือหาห้องหาสถานที่สงบสงัดนั่งทำจิตใจให้สงบหาความสงบให้มากๆพร้อมมีความสงบมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าเรามีธรรมะมากเท่านั้นเมื่อมีธรรมะมากแล้วกิเลสตัณหาก็จะน้อยลงไปความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะน้อยลงไป อย่าไปดับทุกข์ด้วยการหาความทุกข์มาเพิ่มด้วยการหาเงินทองหาตำแหน่งหน้าที่หาบริษัทบริวารหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่พ่วงมาด้วยพ่วงมาด้วยไม่เชื่อลองพิจารณาดูเอาก็แล้กกันคนที่เสพยาเสพติดนั้นมีความสุขหรือไม่ มีความสุขแต่มีความทุกข์หรือไม่มีมากกว่าความสุขเสียอีกคนที่เสพสุรายาเมาก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันมีความทุกข์ซ่อนอยู่แต่คนที่ไม่ฉลาดคนที่ไม่ใช้โยนิโสมานัสการคือไม่ค่ายควรพิจารณาด้วยความรอบคอบทั้งเหตุและผลแล้วจะไม่เห็นความทุกข์จะไม่เห็นโทษของอบายามุกทั้งหลาย จะเห็นแต่คุณอย่างเดียวเพราะเวลาได้เสพอบายามุกแล้วปีความสุขแต่เป็นความสุขที่ได้ในขณะที่เสพเท่านั้นเองแต่โทษหรือทุกข์ที่จะตามมานั้นมองไม่เห็นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้สาเหตุว่ามาจากการที่ไปเสพสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองดังนั้นจึงขอให้เราพยายามศึกษา ให้เห็นซึงแก่ใจว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณเพราะเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้แยกแยะได้ถูกสิ่งใดที่เป็นโทษเราจะได้ละเว้นเสียไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยสิ่งใดที่เป็นคุณที่เป็นประโยชน์เราก็จะทำให้มมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเราทาได้อย่างนี้แล้วโทษที่เกิดจากความ การกระทำที่ไม่ดีก็จะไม่ปลอด